เทศนาแผ่นที่81ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโ ก, โกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดธานีแสดงธรรมในวันที่11เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าปรารถนานอกครอบ อาลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังแต่เมื่อเช้านี่ฟ้าฝนลองของฮะทำไมาจึงว่าฟ้าฝนลองของลองพระใหม่เหมือนกันแพระหลวงหูหลวงตาเป็นพอ อ, อ, อไม่รู้กี่ท่านทั้งลองพอ อ, อด้วยบวชมาคราวนี้ตั้งยีบสองที่มาอยู่วัดหลวงพ่อนะ ที่บวชจากวัดโพธิสมพรมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ที่หนึ่งที่สองบวชก่อนวันที่สองเพราะว่าบวชเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระเทพของเรานั่นะเมื่อบวชแล้วก็แยกย้ายกันได้มาอยู่วัดหลวงพ่อ22องค์ อนี่แหละเมื่อเช้าแต่ก็มาวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมบวชมาตั้งแต่วันที่มาตั้งแต่วันที่สามแล้วเลยน ะ, ะทดลองบินทบาทหลายวันแต่หลวงพ่อโอ้โหถ้าหากว่ามาอยู่วัดหลวงพ่อมาวันแรกกฝนตกอย่างมื้อเช้าเนี่ยดูไม่จืดเหมือนกันนะพระใหม่นะไม่รู้จะอุ้มบาทไม่รู้จีวรมางั้นเถอะอะไม่รู้จะจับล่มเถอะ ลุงตุงนางฝาบาทเนี่ยคงจะหล่นกันเป็นแฉบแล้วงั้นเถอะแต่จังดีนะหลวงพ่อว่ามาลองทดลองโค้งสุดท้ายอคล้ายๆกับว่าอตัวเองก็คลองผ้าจีวรพอได้แล้วอวิธีการบินธบาทก็รู้เรื่องแล้วนฝนก็มาตกอก็เลยยังพอประคองไหวแต่ขนาดนั้นก็คงจะอึดดัดพอสมควระพระใหม่วันนี้ทั้งผ้าจีวรก็ลุ่มล่ามอาจจะหลุดอเปียก อีกต่างหากนะเน่แหละชีวิตของพระชีวิตของนักบวชพวกเราคิดว่าจะปู ด, ด้วยดอกกุหลาบกลีบดอกกุหลาบที่เดียวไม่ใช่นะการเป็นนักพรตนักบวชต้องการของร้อนได้ของเย็นต้องการของเย็นได้ของร้อนไม่ได้อย่างใจของพวกเราแต่ใจาจของเราโอ๊ยวันนี้ฝนตกไม่บินถาวรแล้ววะก็ไม่ได้ แต่ถ้าว่าพอเราอยู่เป็นค า, ารวาสเนี่ยเ้ยวันนี้ฝนตกไม่ออกไปแล้วไปไปซื้ออาหารมาหน่อยใช่ปะเอาอันนั้นอันนี้นะเราก็สั่งได้ใช่ไหมแต่นักพลดัดนักปวดไม่ได้นะเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายฮีหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งละ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ด เมษายนพุทธศักราช2558ในคะณะทศไทยญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมการพระใหม่ลาสิกขาไปก็มีบ้างแล้วก็ลาไปเยี่ยมบ้านไ ป, ปโปรดญาติโยมก็มีแต่หลวงพ่อไม่ว่ากันลวพราะบวชไม่กี่วันแต่ถ้าเป็นพระเก่าเนะ่หลวงพ่อเอ้ยระวังญาติโยมโปรดก็แล้วกันนะไม่ใช่ว่าตัวเองจะไ ป, ปโปรดญาติโยมนะ ญาติโยมโปรดให้ระวังกันแล้วกันนะแต่ในหลวงพ่อก็ไม่พูดหรอกเพราะว่าพระบวชไม่กี่วันอาจจะให้ไปเห็นพ่อแม่พี่น้องวงสาคนายาตได้เห็นเออข้าไปเจ้าบวชอยากน้อยก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันว่าข้าไปเจ้าบวชในช่วงนั้น อ, อ, อันนี้หลวงพ่อขอเออเอาอนุญาตไปไดออ้ถ้าไปเสร็จแล้วผมจะลาศิกขา ได้ไหมหลวงพอ่อเออเอาลาสิกขาก็ะลาได้แต่ถ้าเป็นไปได้ในลาสิกขาในคณะนะแต่อย่างนิกายเขาก็ต้องคาลาสิกขาในคณะนิกายธรรมยุทธ์ของเราก็ลาสิกขาในคณะธรรมยุทอันนี้คื อ, คอมันแบ่งกันแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนั่นให้ถูกตามกฎระเบียบเขาหลวงพ่อเขาแนะนำบอกกล่าวแล้วก็พร้อมกัน หลวงพ่อก็ยังได้บอกพระที่ท่านได้ผ่านทางขรรชการมาแล้วนะหลวงตาที่วัดของเราท่านได้ผ่านทางโลกมาแล้วทางเคยเป็นรองอธิการบดีมาแล้วก็เป็นคณะบดีมาแล้วก็เป็นทนายความของสีพีกเกษียณอายุราชการอายุเป็นการเป็นทนายความ อายุหกิกว่าขึ้นมาแล้วพอพอมาแล้วก็มาบวชพอมาบวชแล้วหลวงพอ่อเออถ้าช่วงไหนบางที่อาจจะตอนเย็นนี้นะใ ห, ววให้เตรียมตัวไว้เด้อให้เตรียมตัวไว้หลวงพ่ออาจจะให้ได้กล่าวกับพวก เ, เป็นข้าราชการที่เขามาบวชในคราวนี้แหละพอพ่อมองมองดูแล้วถามถามดูแล้วบางทีกับเกษียณปีนี้ก็มีบางทีกับปีหน้าก็มี กเกษียนเป็นส่วนมากเลยข้าราชการผ อ, อ, อทั้งรองผ อ, อ, อที่เขามาบวชในคราวนี้นะทั้ง20สกว่าองคนะ์แต่ยังเหลืออยู่จำนวนที่เหลืออยู่ก็ยังมีอยู่หลวงพ่อเออเนี่ยนะเอาพระราชการเก่าเนี่ยนะทำไมท่านจึงคิดยังไงท่านจึงได้มาบวชท่านทำยังไงท่านปฏิบัติยังไงจึงได้มาบวช มีความคิดยังไงอายุตั้งหกกว่ากเกษียณแล้วจะมาบวชแต่หลวงตาที่ท่านเป็นคณะบดีเนี่ยท่านตั้งเกว่า70กว่าปีแล้วนะที่ท่านมาบวชเนี่ยเจ็ดสิบเกว่าปีต้นๆแต่ที่ท่านก็บวชมาปีสองปีแล้วเนี่ยหลวงพ่อวันนี้ น, ะน่าจะทําความเข้าใจกับพวกข้าราชการเมื่อท่านกเกษียณไปแล้วท่านควรปฏิบัติตนอย่างไร หลวงพ่อว่าน่าจะให้พวกขราชการเก่าที่เป็นนักพจนบวชเน่ยแต่ทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้เหมือนกับนิทานอีศพที่ว่าหมาป่าหางด้วนแ่้วชวนให้หมูตัดหางด้วยด้วนตัดตัดหางให้ด้วนกับเหมือนกับตัวเองด้ว ย, ยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ให้เพราะระดับที่แล้วนะระดับท่านผ อ, อระดับรองผ อ, อระดับเป็นขราชการมาเป็น สามสิบสี่สิบปีนะเนี่ยอก็ต้องอ่านออกว่าเออพูดเป็นยังไงมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือให้เป็นแนวความคิดมิใช่ว่าเออเบื่อกเกษียณไปแล้วเราจะไปทําอะไรดีนาะเนี่ยบางคนมุดทานนะ่าเนียไปเฝ้าสระปลาใช่ไหมนั่งเฝ้าสระปลาทั้งวี่ทั้งวันไปตกปลาใช่ไหมพ่อเป็นเถื่นปลาถูกเป็นแก็ดีอกดีใจแต่มาก็ไม่กินนะไม่กินเพราะ มันอาหารมีแต่เยอะแยะนี่แต่ไปสนุกอย่านั้นเห็นปลาถูกเบ็ดตัวเองก็สนุกนะนั่นแหละอันนั้นคือทําบาปไม่รู้นะนี่แหละข้าราชการเป็นข้าราชการมาฉลาดอยู่อย่างหนึ่งแต่มาก็โง่อีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อว่าโง่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไปทําได้ยังไงนะเพ้อเผ้ อ, อบางคนไปเฝ้าไปเฝ้านเขาอีกไปเฝ้ากองไก่กองไก่ตีเขาอีกอย่างนั้นเนตะ่ไปนั่งเฝ้า ไปตีไก่กับเขาอีกงั้นไงเลี้ยงไก่ตีอีกต่างหากเออเป็นเป็นพออเป็นข้าราชการเออเพิ่มเพิ่มเพราะว่าเขาเรงนั้ น, ป น, ป น, ปนไปนั่งเฝ้าหุ่นทั้งวีทั้งวันอีกต่างหากเฝ้าหุ่นก็ค่อยยังชั่วอยู่หน่อยนึงอยู่เอแต่ว่านั่นนะไปเฝ้าสะปาก็ไปตีไก่ในกองไก่ของเขานะ่ยพอตำรวจไปกับวิ่งหนีก็ไม่ทันเขาอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง ก็ อ, อยากจะให้ท่านที่เข้ามาบวชก่อนหน้าก่อนเป็นพี่รุ่นพี่อธิบายให้ฟังได้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกเนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราจะบวชทีเดียวก็ไม่ใช่ถึงขนาดรั้นล็อกแต่อย่างน้อยก็เข้าเข้ามาสู่วัดสู่วาสู่ศีลสู่ธรรมเข้ามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็วันพระเดิ้งหรือวันอาทิตย์นึง เข้ามาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติเพื่อทำให้จิตใจพอทังโลกเราผ่านมาพอแรงแล้วทำมาพอแรงแล้วแต่บัดนี้เราหาอาหารเข้าสู่จิตใจอาหารกายคือเงินอพอได้เงินมาแล้วก็ซื้ออาหารซื้อยาซื้อผ้านุ่งหม่มซื้ สร้างที่อยู่อาศัยเงิเนแต่จะมาซื้อบุญเข้าสู่จิตใจไม่ได้นะแต่่็ได้ยุทธธรรมบุญนะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลช่วยสาธารณประโยชน์ได้แต่ว่าจะมาคิดว่ามีเงินแล้วก็นนจะไปซื้อบุญนั่นไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อาหารกายเราก็ให้รู้อาหารใจควรปฏิบัติตนอย่างไรอาหารใจให้ศึกษา ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราให้เรียนให้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนจะรู้ได้ว่าอาหารใจนะั้นปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะรู้นะถ้าว่าเราไม่เรียนไม่ได้ศึกษานะอย่าไปรู้ทีเดียวขาดขาดเดาๆขาดการไปเรื่อยคเนไปเรื่อยประมาณการไปเรื่อย เ, ออเห็นเขาฟังเขาพูดก็เหมือนกับญาผีบอกนะแล้วก็ไปเชื่อไปตามเขาอย่างนั้นมันไม่ใช่นะ พุศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องศึกษาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาในจุดนี้นะแล้วเมื่อวานเป็นวันที่10 เ, เมษาคณะคณะกลุ่มข้าราชการอำเภอนา ย, ยูมีท่านนายอำเภอและท่านผู้กํากับแล้วก็ส่วน หัวหน้าส่วนรัชการในอำเภอนายูงและก็ต่างจังหวัดและก็พ่อค้าประชาชนเมื่อวานเยอะพอสมควรเข้ามากาบคารวะมุดน้ำดําหัวตามประเพณีเพราะว่าพวกเราต่ อ, ตอ น, นี้ไปก็คงจะเป็นวันหยุดอพอวันหยุดเสร็จแล้วเราพวกเราจะได้แยกย้ายกันคงจะไม่ได้มาวันที่13เพราะนั้นพวกคณะ กรรมทํางานทั้งหลายมีท่านนายอำเภอมีท่านนายอำเภอท่านผู้กากับท่านนายอำเภอเป็นประธานได้ปรึกษากันว่าน่าจะทําพิธีมุดน้ําดําหัวสมณะพราหมณ์คือครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นมีหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นที่มีอายุพรรษาได้กว่ามุดน้ําดําหัวอย่างเมื่อวานนี้เห็นล้นหลามนี่แหละหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดมาก พอสมควรให้เป็นแนวความคิดกับค ณ, ณ, ณะผู้ที่มาร่วมมุดน้ำดาหัวเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้แจกของทีละลึกทุกปีนะหลวงพ่อแจกนะบางทีก็แจกเหรียญหลวงปู่ลี่บางบางทีก็แจกพระผงบางบางทีก็แจกเมื่อวานในแจกพระพุทธ ร, รูปมีพระพุทธ ร, รูปด้านหนึ่งก็มีพระเป็นรูปพระอานนท์หรืออะไรเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่ง อยู่ตรงข้ามกันมีคนนํามาถวายหลวงพ่อไปในจังหวัดชนบุรีท่านบอกว่าท่านอาจารย์ผมได้เหรียญนี่มาก็ไม่รู้จะทํำยังไงมอบไปท่านอาจารย์ไปแจกคู่คนเออเอาได้หลวงพ่อก็เด็กดยมากหลวงพ่อไม่ทําเองนะคะ่นะนััตยาญาติโยมลูกหลานถ้ามีผู้ถวายมาหลวงพ่อก็ไม่ไม่ประมาทเฮ้ยเหรียญไม่ดีหรอกไม่ใช่ของนะั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอย่า ง, งานั้นเพราะเหรียญก็คือลูกพระพุธทธเจ้า รูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในนั้นหลวงพ่อได้มาก็เออเอาเอาไปใส่กระเป๋าเนอะห้อยคอนะอถ้ามีอะไรในจิตในใจไม่สบายก็ร ะ, ะลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระลึกถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์เนอะอันนี้หลวงพ่อจะแนะนําบอกกล่าวแต่หลวงพ่อไม่ได้ปรามาตว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีหลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะแต่ต้องให้หลวงพ่อทําเองหลวงพ่อไม่ทําเพราะเขามีมีผู้ทําเยอะอยู่แล้วนะ แต่ลวงพอตำเหนี่ยก็คือทำเหรียญมาแล้วขายอันนั้นไม่ดีนะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะขายรูปขายเหรียญเออขายกระทั่งสรณะของตนเองพุทธถังทำมังสังถังสรนางคัตฉามิเนี่ยมันอดทีอดอย่างขายอะไเหรอขายกระทั่งสรณะที่พึ่งของตนเองแล้วจะพึ่งอะไรทะเนี่ยขายเอาไปเป็นสินค้าทั้งหมดขายทางพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขายเหรียญครูบาลจานขายเหรียญพระเนี่ย หลวงพ่อว่าอันนั้นหลวงพ่อไม่เห็นด้วยเ อ, อทําเป็นสินค้าไปได้ถ้าทํามาแล้วแจกเอาไปบูชากันนะหลวงพ่อเห็นด้วยนะอันนี้เกิดเป็นความเห็นของหลวงพ่อนะออแต่ไม่จะให้ความเห็นทุกทุกคนอย่างหลวงพ่อก็คงไม่ได้ถ้าเห็นมีความเห็นอย่างหลวงพ่อทุกคนทุกคนก็คงมาบวชเหมือนหลวงพ่ออินทั้งหมดใช่ไหมอันนี้นานาจิตต่างนานาทัศนะแต่หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรเน หลวงพ่อพูดให้ฟังนะแล้วก็พร้อมกันในพวกเราคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานเน้อวันสงกรานใกล้ๆเข้ามาถึงวนวันที่สิบสามแต่วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเมษาห้าแปดเป็นวันสิบสามน่เป็นวันปีใหม่ไทยพรา น, นั้นก่อนที่จะถึงหรือว่าช่วงนี้ล่ะช่วงวันหยุดเนี้ยนะ อพวกเราอย่าไปทะเลทะรายถ้าไปก็ไปเนะี่ยให้เป็นประโยชน์เอพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราปู่ย่าตายายของเราที่ไหนเราก็ควรจะเข้าไปกราบคารวะเอมุดน้ํำดาหัวท่านเอให้ลูกหลานได้เห็นเอเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่กควรจะพาไปกราบไปไหว้ถ้าอยู่ใกล้นะเว้นเสียแต่อยู่นู่นาภาคอื่น่ะ เราไปไกลเกินไปก็เสี่ยงอย่าไปดีกว่าให้พ้นไปซะก่อนหรือว่าเราไปเราไปก่อนหรือว่าพ้นไปก่อนว้นสงกรานไปก่อนเรายังค่อยไปที่หลังก็ได้อาทิตย์นู่นอาทิตย์ต่อๆไปเนะ่เรายังค่อยไปไปกราบพ่อแม่พอไปถึงแล้วกันนะมีของครวะไปด้วยมีท่านชอบอะไรที่เราหาได้โดยที่ไม่หนักหนาเราเกินไป ไม่มีอะไรกับแก้วสารพัดนึกเนี่ยมีเงินติดกระเป๋าไปรอยสอ0ร้อยบาทเนี่ยไปคารวะท่านท่านก็นดีใจแล้ว อ, อถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีเขาไปกราบที่หัวเข่าของนั่นตักของท่านเออคุณ พ, พ่อคุณแม่ลูกหลานทั้งหลายได้มากราบคารวะมุดน้ํำดาหัวตามประเพณีปีนึงก็ได้มาพบมาเจ อ, เ อ, อพวกลูกทั้งหลายหลานทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง คุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายกิกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมคือแนวความความคิดกายกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือคำํำพูดได้ล่วงเกินบุกยา่าตายายพ่อแม่หรือผู้มีอุปกรณคุณขอท่านปโปรดเอโหสิกรรมให้ลูกหลานด้วยเนะ้อ ลูกหลานจะได้สํารวมระวังต่อไปเพราะว่าการที่กับผมเกิดมากับพ่อกับแม่อยู่กับปู่ย่าตายายบางทีก็ได้พูดสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ถูกต้องแต่สมัยเป็นเด็กพ่อแม่ก็ไม่สบายใจคุณนข้ของมองใจในการพูดและการกระทำของผม ขอพ่อแม่โปรดโอโหสีให้กับผมด้วยปู่ย่าตายายโปรดโอโหสีให้กับผมด้วยผมจะได้สํารวมระวังต่อไปอันนี้แหะคือการมุดน้ําดําหัวนะอไม่ใช่ว่าไปเลยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะคิดยังไงพูดอย่างทิ้งโลพูดพูดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดแล้วพูดอย่างนี้ได้ะพ่อแม่ก็ให้สีนให้พรเออลูกหลานเนอที่มา คารวะพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ล่วงเกินในอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งใดก็ตามพ่อแม่ยินดีอโหสิให้กับลูกกับหลานทุกขูดทุกคนโหสิกรรมให้ลูกให้หลานทุกขู่ทุกคนนะให้ลูกห ล, กหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเออให้เจริญ้วยอายุวันณนะสุขภาระหละยศฉลาเสริญสุข ออันนี้ก็คือการให้พรของปู่ญาตาญิตายแต่หลวงพ่ออินของพวกเราเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าความปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบศีลธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาคำว่ากรอบคำนี้ก็คือศีลธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่ใช่ว่าปรารถนาข้าพเจ้าจะจะได้มีเมียหลายคนมีผัวหลายคน เออข้าไปเจ้าอยากจะขายยาบ้าให้รวยๆเอ่อเล่นการพนันมากๆให้รวยๆเออเราจะไปฆ่าคนอื่นเขาอย่าให้ตำรวจจับฆ่าเนั่นอันนั้นแปลว่าปรารถนาออกจากนอกกรอบออกนอกกรอบศีลและธรรมความปรารถนานั้นหลวงพ่อไม่ให้สําเร็จนะไม่ให้สําเร็จถ้าใครปรารถนาออกนอกกรอบนะเออถ้าไปขายยามากอ่ะยามากอ่ให้ตำรวจจับได้เลยเพราะงั้นเออถ้าหากว่า ปาถนาสิ่งไหนที่ไม่ถูกนะั่นะนะ่นะเฮ้ให้มันทะเลาะว่แว่งกันเอากันจุดหัวลากั้งแตกจุดแท้แต่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่ไม่อำนวยความสะดวกให้นะเออขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบนะคําว่าปรารถนาออกนอกกรอบนะี่ก็มีเหมือนกันนะเอ่อศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อในชอบสอนเรื่องชาตรกริญนิทานให้ฟังนะเอามีหลานของ อนาถาเมติกาเศรษฐีคนหนึ่งเอเป็นคนของอนาถาเมติกะเศรษฐีเป็นคนเอเจ้าชู้เหมือนกัะพอเกิดขึ้นมาแล้วเนอะโอ้ผู้หญิงเห็นแล้วนี่ชอบอกชอบใจอย่างมากเหมือนนแะไปที่ไหนไปว่าเป็นโพลเลยไม่ลู้ว่าลูกใครเมียใครเหมือนนแะพระเจ้าประเสริฐที่โกศ่วนหนึ่งตำรวจก็จับมาเอจับมาได้ ถ้าตามให้จริงจับมาได้เขาจะต้องฆ่าทิ้งนะเออสมัยนั้นพอจับมาได้เป็นใครเป็นหลานานาถาบิดาบินตะกัดกศเศรษฐีไม่ได้เออเพราะเออตระกูลของเขาเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับประเทศเอาภาคทันนะยาทํา อ, นะอีกนะเออไปออกไปเธอเนี่ยตู้ขาลบสิสามีภรร อลูกหลานของเขาอภรรยาของเขาต้องคอรบสินะอย่าทําอีกนะครับกลัวตายพอไปอีกผู้หญิงก็ถลําเข้ามาอีกตั้งแกกั น, น, ย, นะนยังไงกิเลสให้มันอดไม่ได้ที่สิ่งนี้ผลนส่สก็ไปอีกอีกรอบเขาจับมาอีกจับอีกอยานะข้านี้นะเอาแน่ๆนะข้านี่นะเออใครกว่าภาคทันไปนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพอถึงครั้งที่สองเนี่ย อาาถาเมติกะเศรษฐีไม่ได้ละไอ้นี่คงจะโดนฆ่าแน่ๆแล้วว่ะมันมันถึงมันตะแก่ไม่ไปกเขากข้มาหามันมันรู้จะทํำยังไงนาถาเมติก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจ้านะไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่ามีอะไรอนณาถาเมติกะเศรษฐีเนี่ยหลานของข้าพระองค์เนี่ยท่านหลงพ่อจำไม่ผิดนะว่าชื่อสมชายนะเอสมชายาเอเนี่ย ผู้หญิงมาติดพันจนพระยาปเสนพระเจ้าปเสนจะเอาไปฆ่าถึงสองครั้งแล้วไปเจ้าค่ะเออเนี่ยเขาภาคทันแต่ข่าวนี่ยกงไ ม, ไม่รู้จะทํำยังไงข้าพระองค์ก็เลยเห็นว่าไม่รู้จะทํำยังไงเ อ, อข้าพระองค์จะได้นาเขามากราบพระพุทธเจ้านี่ไปเจ้าข้าพระโองค์บอกว่าเอออันนี้กรรมเก่านะคนมีกรรมเหมือนกันนะคนมันใช้กรรมต่างกันนะกรรมดีกรรมชั่วนะ ในรำอันในหนอพระเจ้าข่าที่มันเป็นอย่างนี้หน่ยพระองค์บอกว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้ากัดสปะคือพระพุทธเจ้าในพัฒกับนี้มีอยู่5พระองค์กะกุสันโธกะกุสันโธโกนคมโนโกัดสปโปโคตโมอริยเมตโยนพระอริยเมตโยคือพระศีอาเนี่คือองค์ต่อไปนอกออกไปจากพระพุทธเจ้า คือในพัตกำนี้มีอยู่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะแกนะกุชนโธโกนคามโ น, น, โนกัตถโปนะในเมื่อพระมหาพระพุทธเจ้ากัตถโปกัตถปาเนะี่ยปรินิพานอย่างพระพุทธเจ้าของเราปรินิพานนะพอปรินิพานเขาก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นมาพอสร้างพระเจดีย์ใหญ่เสร็จขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็เอ า, เอ า, เอาจะปักธงยอดพระเจดีย์เหรอแหมเขาว่าจะปักธนยอดพระเจดีย์แล้วใครจะขึ้นไป อันนี้ชมชายในสมัยนั้นก็คงจะเป็นคนแข็งแรงกำยำเป็นคนที่เป็นนักมวยนะเป็นนักมวยด้วยในชาตินะั่นเป็นคนที่แข็งแรงเขาวัานี้เอาใจชมชายนะเนี่ยพราะไม่ไม่กลัวความสูงอีกต่างหากขึ้นสูงได้อีกต่างหากเพราะสมัยนั้นเขาไม่มีรถเข็นใช่ไหมล่ะมีแต่คนเขาก็ยกขึ้นไปแล้วก็ยกธงนกธงนะธง ธงก้านธงขึ้นไปแล้วก็มีธงด้วยนะไปปักบนยอดพระเจดีเน่ยนะทีนี้เขาก็เห็นเนะ่ยชมชายเนะี่ยแข็งแรงกรรมยำไม่กลัวความสูงอีกต่างหากนะเขาก็เลยมอบให้ชมชายเป็นผู้ยกธงชมชายก็ขึ้นไปขึ้นไปแต่ยกธงขึ้นไปก็ไปปักบนยอดพระเจดนะีบนบอดพระเจดีทั้งที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะอธิษฐานโอ้สาธุเนอะร์ข้าพรเจ้าเกิดมาในภพใด ชาติใดได้ปกปักทงบนยอดพระเจดีพระพุทธเจ้ากัสจปะนี้ข้าบข้าแต่ผู้ใดใครก็ตามเห็นข้าพเจ้าให้เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสให้ข้าบข้าพเจ้าเป็นใหญ่ในชุมชนสังคมในเกิดในในยุคนั้นๆน่าจะปราดเอานาเอาทางที่ดีๆแล้วก็ให้ดวงตาของข้าพเจ้าเห็นธรรมในที่สุดก็น่าจะปราดถนาอย่างนั้นแต่นายชมชายเนี่ยคงจะเป็นคนกํายํา หน้าบูดหน้าเบี้ยวแต่ว่าแข็งแรงฮะคือก็สมัยนั้นก็คงจะสาวไม่แล้วลักษณะอย่างนั้นแหละแค่แค่ผู้หญิงเห็นเลยก็เมินเฉยสาวไม่แลแต่แข็งแรงยู่แต่มันดูดูแล้วไม่สวยไม่ถูกสเปคเขาสาวใช่ไหมในสมชายก็เลยเกิดชาติหน้าก็เอาปาถนาที่นี้สาธุเนข้าวไปเจ้าปักทงองบนยอดพระเจดีพระพุทธเจ้ากัปะนี่ เออถ้าว่าเกิดพบหน้าชาติหน้าเนะี่ยหญิงใดก็ตามที่ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องของข้าเนะไม่ใช่ญาติสายโลหิตของข้าเนะี่ยถ้ามองเหตุข้าพเจ้าแล้วให้ใจสะพัสสพัสะทานหวั่นไหวเหมือนกับปลายหางธงที่ถูกกับลมนะปาถนาอย่างนั้นนะในสมชายนะใครๆพวกเราเห็นไหมที่ลมธงมันอยู่ที่สูงๆนะปากใสไซเรนะพอเห็น พอเห็นธงเท่านั้นปลายหางธงเนี่ยมันสบัดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนายสมชายเห็นวันน่ะีอถ้าหญิงใดก็ตามเห็นข้าพเจ้าในข้าพเจ้าเกิดในภพต่อไปถ้าเห็นข้าพเจ้าเราให้จิตใจสะทว์นหวั่นไหวเหมือนสัพัฒเหมือนกับหางธงเอเห็นข้าพเจ้าจากนั้นก็มาเกิดมาพบไรชาติใดกันเนี่ยมาเกิดมาพบในชาตินี้เอหญิง ทั้งหลายเห็นไง น, นายสมชายเนี่กันอย่างที่ว่าเหมือนกันนะ่ะ เ, เห็นเขาเสถานหวั่นไหวนี่แหละกรรมเก่าประพุทธเจ้าธนวานนี่ยเคยมีนะพระไตรปิฎกหน้าห ล, ลักลูกหลานนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนี่นะมาในพระไตรปิฎกอแต่หลวงพ่อก็ต่อเติมให้มีรถมีชาติขึ้นนิดหน่อยแต่เนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้แหละงั้นแตอผลในี่นสุดน่นายสมชายก็เลยจะถูกตัดคอทิ้งเหมือนกันแต่พอว่ามัน มันออกนอกลูกนอกทางเนยกาเมสุมิชัยจาราเวรมณีเนี่ยสมัยก่อนมันโทษหนักนะอพอในที่สุดพอนายสมชายได้ยินพระพุทธเจ้าเทศนาว่าการนายสมชายก็น้อมรับอว่าจะไม่ทําอีกต่อไปจากนั้นนายสมชายก็ได้สําเร็จพระโสดาบัน เ, เป็นผู้มีศีลห้าโดยอัตโนมัติเลยทีาน เ, เป็นผู้มีศีลห้าเป็นพระโสดาบันนละ้ ไม่มีอะไรอีกแล้วนะในเรื่องเหล่านั้นนี่แหละเออใครเข้าความปรารถนาเนี่ยอยู่ในกรอบของศีลธรรมเยลยหลวงพ่อตั้งตีกรอบไปเลยนะเออขอให้ความปรารถนานั้นจงสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาแต่ถ้าว่าปรารถนาออกนอกรูกนอกทางอย่างที่นายชมชายปรารถนาเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ให้สําเร็จเมืองกันเถอะเออพ่อต่อไปภายภาคนายใช่ในขณะที่คิดอย่างนี้ต้องการอย่างนี้ แต่มันเป็นผลต่อไปภายภาคหนะ้าจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนเอพอาะโรกเดือดร้อนกับตนเองก็เดือดร้อนอีกต่างหากนั่นแนหะปัญหาความสุขไม่ได้ความปรารถนาที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาณโฉมลูกหลานทุกคนเนอะอันนี้ก็คือไปคารวะพ่อแม่จากนั้นกัครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกคนอย่าลืมศินอย่าลืมธรรมถึงจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาอย่างไรก็ตามไม่อยู่ในกเกรอะในศินในธรรมบอกกล่าวลูกหลานของพวกเราจะ อ, ออกนอกลูก่นอกทางถ้าหากว่าลูกหลานของเราะสนุกสนานเกินไปขี่มอตเตอร์ไซค์บิดซ้ายบิดขวายอผลในสุดหัวนอกพื้นใครเป็นคนรับผิดชอบล่ะพ่อกับแม่แหะทุกลเลยเพอเพอจะวิ่งมาหาหลวงพ่ออีก หลวงพ่อเอ้ยลูกหลานผู้ค่าเนี่ยมอมอจะใช้แขนหักหลวงพ่อฝากกับโรงพยาบาลให้ด้วยเธอเยไม่รู้วกี่รายเหมือนกันเนี่ยมันเดือดร้อนหลวงพ่ออีกต่างหากฮนะแต่ตามไม่จริงคนที่คนที่ทําน่ยมันไม่คิดนะพ่อแม่ก็ไม่สอนอีกต่างหากนะมาดวดเดือดร้อนหลวงพอ่อจะนี่เนะี่ยหลวงพอ่อจะว่ายังไงจะนี่เพราะว่ามันจําเป็นสําคัญนะนะลูกหลานนะเนราะชีวิตเนะี่ย ถ้าหมอรักษาทันมันก็ดีใช่ไหล่ะหลวงพ่อเออเป็นยังไงฮะรนี่แ น, นะหลวงพ่อก็บอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยๆกันดูเนอะนี่แหละมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่เฉพาะคนที่เจ็บป่วยเวลาทำอะไรมันไม่คิดนะเพราะนั้นพ่อแม่ทั้งหลายพยายามสอนลูกสอนหลานนะลูกหลานนะสอนลูกสอนหลานของตนเองนะอย่าไปทำอย่างนั้นถ้ า, าหักขาหักแขนหักลงไปแล้วเป็น เป็นคนพิการตลอดชีวิตนะหัวนกพื้นฟื้นขึ้นมากระโต o a s t เตะจะเป็นบ้าก็ไม่ใช่จะเป็นบอก็ไม่ใช่พวกคนพูดล้อเล่นล้อเล่นดีๆเนี่อแหละจนจนถึงวันตายเราต้องการแม้อย่างนั้นใครๆก็ไม่ต้องการทั้งนั้นอยากจะเป็นคนสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั่นแหะแต่ทาจะทำอย่างไรก็ต้องสับรวมระวัง ชีวิตทั้งชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรับรองรับประกันรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเรานะีเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานนะช่วงนี้เป็นโทกช่วงเทศกาลหลวงพ่อจะเน้นหนักหรือพูดแนวความคิดให้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟัง เ, เป็นระยะ ะ, ยะจนกว่าจะพ้นสงการนะ้าวัาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอย่างหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกให้หลานฟัง หาคนพูดยากเหมือนกันนะเอถ้าพูดขึ้นไปเดี๋ยวโมโหให้กันไม่ฟังกันอีกต่างหากนะแต่หลวงพ่อพูดเห็นมไอมพวกลูกหลานนั่งฟังเผลอฝ่ อ, อยังออกเฟซบุ๊กอีกต่างหากเออออกเฟซบุ๊กไปดังไปเหมือนทุกหัวละแหงอีกต่างหากอทางวัดผู้ใดได้ฟังในเฟซบุ๊กเหมือนกันนั่นแหลอจะตําหนิออกมากับตาหนิได้นะเพราะมันมีที่ไปที่มาหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อนะ่ยพูดกี้ว่าคิดดีซะก่อนล่ะยังได้พูดให้ลูกให้หลานได้ฟังอาจจะไม่ถูกใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งนะแต่ทางเราตรงพูดพอหลวงพ่อพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะเป็นพระชุมชนทุกหมู่ทุกเหล่าหลวงพ่อจะพูดให้ถูกอกถูกใจคนใดคนหนึ่งไม่ได้หลวงพ่อจะต้องพูดเอาภาพรวมออกมาพูดให้ได้ยินทั่วๆกันภาพรวมเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าตัวเองคนเดียวเท่านั้นโมโหขึ้นมาว่าหลวงพ่ออินพูดไม่ถูกนะจะไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงต้องคิดถึงภาพรวมสิภาพรวมหลายหลายคนสิหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะเอาภาพรวมออกมาพูดให้ภาพให้พวกเรามองเห็นภาพรวมการอยู่ด้วยกันทั้งประเทศทั้งชาติพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่ออินองเดียวนะป็พุทธศาสนานะ เ, เป็นมาตั้งแต่ ดึกจำบันทั้ง 2,558 ปีแล้ว เ, เพราะนั้นหลวงพ่อก็องเนึ้ที่เข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะทำยังไงพระพุทธศาสนาจึงจะมั่นคงถาวอนใสสะอาดบริสุทธิ์ถึงลูกถึงหลานต่อไปนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเนระับพรเนะทธานีเนะ่